นั่งจือยังไม่ต้องรีบเก็บก็ได้เนาะพอมันเริ่มรีบเก็บมันก็ความสงบมันหายไประเบียบเรียบร้อยมันก็หายไปละพื้นกระดาษเดินทิม่มกระสันได้หมดจริงจิงก็กดีถ้าคนมีความสึกตัวมันก็ดีแต่ว่ารำแบบวินัยมันก็ รักษาไว้ก็ดีคนใหม่แล้วสัาสัตตาสัตตาคนนี้นี่ก็ปฏิบัติธรรมกันเนาะ <Yeah. S 1> สิ่งที่จะทให้เราปฏิบัติธรรมได้ง่ายๆคือสัตตามีความเชื่อเ <Yeah. S 1> ช่อกรรมฐาน <Yeah. S 1> มันทให้เกิดมีปัญนายานขึ้นมาเกิดปัญญาาณขึ้นมาอย่างเงี้ย มีบัญญาแล้วไม่มีทุกข์ถึงมีมันก็ไม่ทุกข์นานมีความเชื่อมีศรัทธาเบื้องต้นเลยชาวพุทธเราถ้าไม่มีในแง่ของการศรัทธาที่จะออกจากทุกข์มันก็จะวิ่งไปหาทุกข์นั่นแหละสิ่งที่ทำแล้วจะทำให้เราปฏิบัติทำง่ายๆ เข้าใจธรมธรมะง่ายๆเห็นธรรมะง่ายๆเรียกว่ามีการมรรุธรรมหนึ่งต้องมีความศรัทธาสองก็คือไม่อยากใหญ่โอวดไปไหนก็เรียกว่าเจียมเนื้อเจียมตัวสำรวมระมัดระวังพอสมควรกำลั <S S S งตาเหลียวตาทาม ข้ที่สนัข้อที่สไม่มีมายาสาไถมายาไม่มีมายาสาไถใจยังไงป่าก็าพูดไปงั้นแหละแต่ก็มีมารยาทอยู่บ้างมายาบางทีมันสร้างภาพพรมสร้างภาพมันก็ไม่จริงมันก็จะทําให้เรามืนกัว่า อยู่แบบลอกตัวเองไปวันๆก็เรียกว่าหน้าชื่นอกตรมในหัวใจในเปียกแฉะเน่าในแต่หน้าตายิ้มแห้งๆมันมันยาเราไม่มีเวลาเปรธรรมเราเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงๆเลยนะมันง่วงตรงๆเลยแล้วง่วงไปด้วยอันนี้ไม่ใช่มารยานะอันนี้เป็นสภาวะธรรม มันง่วงมันก็สะพังงอกกันแหละสติอ่อนมันแสดงตัวมาตรงๆบางทีนะเรางอก ง, ง่วงอยู่แต่ใจเรานตรงแล้วเกินต่อสภาไวะนะ้มันเห็นตัวง่วงชัดเจนแล้วเกินอันนี้ไม่ใช่มารญานะเป็นการฝึกหัดตนแล้วเกิดความงดงามขึ้นมาเกิดประสบการณ์ขึ้นมา จะเคยนั่งง่วงแล้วก็จะประออกกายเป็นเออร่วงง่วงมีเตถียรรู้แหวกออกมาหาการเคลื่อนการไหวออข้อที่4ี่ทำให้เราปฏิวัติธรรมได้ง่า ย, ายคือไม่เป็นคนที่โลกมากโลกโลกโลกภัยค่เจ็บมากเกินไปลัางกโอโยลูกก็โวย ปฏิบัติทำกบปวดหัวตัวร้อนไม่สบายแบบนี้มันก็เข็ดนั่นแหละยิ่งมาสองวันสาวันก็ลังเข็ดเลยนะอาหารก็ไม่ได้อย่างที่เราเคยได้คบได้ฉันการหลับการนอนก็ทำตามใจตัวเองไม่ได้บางทีมันลุมหุมหุม ม, ม, มันจับไข่เลยมัจจุมานแสดงออกแต่ว่า ป, ปุตตมานแสดงออก เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ผ่านทำให้มีพลังของสตมิมีพลังของการรู้เนื้อรู้ตัวชัดก็ไหลอะไรแนี้ต่อมาก็คือสามารถที่จะมีปัญญาเห็นกินเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์นีแล้วก็แทงทะลุเห็นการเกิดดับของกิเลสได้ อันนี้ก็คือลักษณะของคนที่จะบรรลุธรรมง่ายๆ mm hmm. ถ้ากระจเรื่องตรงนี้ปับ๊บ mm hmm. สำรวมระมัดระวังดีรู้ตอนเช้าเย็นสามารถบรรลุธรรมได้รู้ตอนเย็น mm hmm. บนรรลุงขึ้นสามารถบรรลุธรรมได้ mm hmm. อันนี้ไม่ได้พูดเอง องสมเด็จสมมาสามเณรเจ้าได้ตรัสเอาไว้โพธิราชกุมารสูตรที่วัดเพสักวันแวนมคุตัดเอาไวชา้ชัดคนที่จะสามารถบรรลุธรรมได้ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้อย่างมาที่นี่ต้องมีคุณสมบัติและเชื่อเออเขาทำกันอย่างนี้ชุมชนเนี้ยจะแล้วก็เคลื่อนไปบ่อ ย, อ ย, อยมีความต่อเนื่องรู้ต่อเนื่อง เรียกว่ามีความเพียรอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในห้าข้อที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วเราทําความเพียรสม่ำเสมอไหมล่ะเป็นคนที่ทําอะไรทําอย่างสม่ำเสมอไหมล่ะสม่ำเสมอสม่ำเสมอปลายมีความต่อเนื่องขี้เกียจก็ทํารยันก็ทําขะยันก็ทําขี้เกียจก็ทําอย่าเอาอย่างตาเลิน ตะเลินนี่ขึ้นชื่อมีชื่อเสียงทางด้านมีความขี้เกียจมากที่สุดในหมู่บ้านตะเลินหมู่บ้านทะลัง ต, ง, ตงตรงตีนเขานะมีคนชื่อจำเริญเขาเรียกว่าตะเลินตะเลนะขี้เกียจมากขี้เกียจยังไงไปหาหน่อไม้นี่ยไปกับเมียแต่ว่าไม่เคย หักหน่อไม้ไม่เคยเผาหน่อไม้ไม่เคยแบกหน่อไม้กลับบ้านมิต่เดินสูบบุหรี่ปุ้ยปุ้ยไลยุงความขี้เกียจของเขาเมียเดินไปแล้วก็เดินกลับไปหาหน่อไม้แล้วก็แบกหน่อไม้กลับบ้านตระเลสบายนาแรงวิดปลาเมียก็ขุดดินทำคันวิดน้ำตระเลสูบบุหรี่อยู่ที่ คนไม้แดดล่มลมสบายเมียจับปลาได้โยนไม่ให้ผัวจับใส่ข้องกน็นังดูเฉยเฉยให้มันแทกลงน้ำให ม, หม่ขี้เกียจไมขี้เกียจไหมเมียก็เฮ้ยช่วยกันจับใส่ข้องหน่อยได้ไงแต่เลยกบอกว่าที่หลังเองก็โยนให้มันถึงถึงหน่อยสิีเกียดจัด เกียวจะไม่พอเล่นการบรรนันไฮโลไพ่งานศพเนี่ยได้เล่นบ้านไหนบ้านนั้นนะได้เห็นตเตเลินเป็นประจำพอเล่นการบรนันหนักๆเข้าก็ไม่อะไรขายหมดเมียสั่งคนตัดไม้มาทําบ้านขึ้นโครงเอาไวล้ละขาดสังกะสี น, า, นาไปเกี่ยวข้าว รับจ้างเพื่อยอนเงินไปซื้อสังกสีพอได้สังกสีกลับมาจมุงบ้านเอาไม้หายไปไหนหมดโครงบ้านเฮ้ยก่กอนไปมันอยู่ตรงนี้ไหนละไม้หายไปไหนหมดแล้วตระเ ล, ลอไปขายเล่นไฮโลเหลือยี่สิบบาทเสียหมด อ, อ, อยู่ได้ไหมสามีแบบนี้ปรากฏสามีมีพฤติกรรมที่มีทลายผลานหมด เมียก็เลยหนีเอาสังกษีหอบไปปลูกเถียงนาอยู่ที่นาตะเลินก็จจำใจไปอยู่กับลูกสะพ้ยกับลูกชายไปขอกินข้าวไม่ได้ทำงานนะลูกสะพ้ยที่แสนดีก็ดูแลพ่อผัวแบบสุดยอดส่งข้าวส่งน้ำตะเลินา น, านานเข้าไม่ได้ออกกาลังกายเป็นํนาบาเพึกกันตูด ตูดตูดตูดเวลากินข้าวจะเข้าห้องน้ำก็ตูดตูดตูดไปห้องน้ำตอนหลังลูกสะภ้ย ส, สงสารพ่อปัวก็เลยบอกพ่ออยู่ตรงที่นอนน่ะแหละเดี๋ยวจะส่งให้ถึงที่เลยกระโถนก็ไม่ต้องลงมานะมาอื่นข้างล่างเนะี่ยเดี๋ยวจะกราโถนไปรองให้ลูกสะั้ยดีดีท้ายสุดตเตลนกินกินนอนๆจะเป็นอัมพาต ขยับขยือนก็ยากเย็นความขี้เกียจที่จะอุจาระใส่กระโถนกะมือลองแล้วก็ปาๆส่งไปขี้เกียจแล้วก็มือมาเช็ดเจ็ดเจดเจเจเสื้อผ้ามุงผ้าห่มเหม็มนคาวไปหมดเลยเหม็นเน่าถ้าเป็นลูกสะพ้ยจะทำไงต่อบ้านก็บ้านเราหน้าอับหน้าอายที่สุด mm hmm. ก็ช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัว หวานอมขมเกินไปตรริญกับมินิสายเจ้าชู้ราคาจลิดลูกสะพ้ยเช็ดตัวกระจุ่มกระชวยเช็ดเนื้อเช็ดตัวทีใดก็มีความรู้สึกกระจุ่มกระชวยขึ น, นตอนหลังลูกสะพ้ยจับได้เพรพะผัวนี่คิดไม่ซื้อคิดไม่ดีต่อตัวเอง รู้เลยเพราะว่าหันหลังให้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรมาโดนข้างหลังมาโดนแถวแถวก้นตนระเลนเอามือไปจับก้นลูกสะภ้ยต อ, ตอนนั้นมาตระเลยลูกสะั้ยไม่ดูแลเลยลูกชายมาดูพ่อก็มาดูไม่ได้กี่วันหรอกผู้ชายกัผู้ชายดูกันมันก็นิสัยผู้ชาย ก็เลยไปตามแม่มาแม่มาถึงก็สงสารเห็นว่าเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนก็สงเคราะห์ในการตักน้ำแล้วก็สาดโครมไปเลยล้างทั้งบ้านแล้วก็ล้างทั้งตัวซักผ้าซักผ่อนทีเดียวไปเลยตอนหลตอนหลังเนี่ยตอมใจตายเวลาจะตา ย, ตายเตลเรนี่ยถึงจะขี้เกียจขนาดไหนไม่อยากลุกนะแต่ใกล้ตายนี่ลุกขึ้นมา ความที่ครัวตายหายใจไม่ออกลุกๆขึ้นมาพียงเสาแล้วคอพับไม่หายใจตายไปเลยโรงพยาบาลใจภูมาชันสูตรศพก็บอกว่าเออตะเลิ น, นหัวใจล้มเหลวตายโรงสมุทัยฐานของโลกให้แต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าตะเลินเนี่ยสาเหตุที่ตายคือขี้เกียจหายใจตาย ในกาในวันนี้ใส่ขี้เกียจจนเขารู้ว่าตัวขึ้นข น, นแล้วท้ายสุดผีตเตลเอินเผ า, เาแล้วก็ไม่มีใครกลัวเลยสักคนเดียวนทั้งหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเพราะเขาคิดอย่างเดียวว่าตเตลเอินเนี่ยมันเป็นผีขี้เกียจนะมันขี้เกียจหลอกกันนะผู้ก็พูดะขนาดตายยังเสียผีเลยยมเ mm hmm. ดี๋ยความขี้เกียจของเรา mm hmm. เราไม่ต้องหัวเราะดีไปนะ มาดูวันนี้ตะเลินเข้าสิงเรากี่หนะยกมือขึ้นไหม <c oughs> เวลานอนเปไ็นไงบ้างเวลาตะเลินเข้าสิงเนะียนะมือมันหนักไหมมันขี้เกียจยกมันขี้เกียจเดินใช่ไหมเพืนนะ่นะอนนั่นเพืนมีความเพียรอย่างสม่าเสมอขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนะไม่ไม่วางหน้าวางตาวางไม้วางมือวางงาน งานไม่เสร็จก็ต้องทำให้เสร็จแลละเพราะอะไรเรารู้บันตายของเราจะที่ไหนทุกทุกคนนะ่ะแต่ละก้าวแต่ละก้าวใกล้ความตายไปทุกทีนะวันนี้ก็ตั้งอยู่ในบันใหม่ก็สมกุดงงกันอีกตายมันถึงคิวเราเมื่อไรก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็จึงนั่นแหละสร้างสรรค์กัน ศรัทธาต้องมีนะอินทรีย์ลักเนี่ยนะต้องชัดเจนศรัทธาความเชื่อบวกกับปัญญานะไอ้ปัญญานี่เป็นระดับที่เรียกว่านะสัมผัสรู้สึกนะสัมผัสเมื่อไหร่ก็รู้สึกเมื่อนั้นเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็สัมผัสเมื่อนั้นรู้สึกรู้สึกหยาบหยาบยาบนะเดินจงกรมนี่ก็ชัดนะแต่สังเกตว่าเดินจงกรมเนี่ยมันคิดง่าย เวลานั่งยกมือเนี่ยมันง่วงง่ายยกไม้ยกมือมันง่วงเวลาเดินเนี่ยมันฟุ้งซ่านเคยเดินไปคิดไปนะทีนี้เราก็เลยได้ประสบการณ์ง่วงก็ดีจะได้จัดระเบียบเดี๋ยวคืนนี้จะไว้นอนขณะที่เดินมันคิดฟุ้งซ่านก็นดีเราจะได้รู้จักความคิดชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น เพราะว่าสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็คือความคิดนะที่เราไม่ได้ตั้งใจหลงเผละมะอะมาแล้วก็ปรุงแต่งเราเห็นแล้วเห็นอีกเห็นโอ้ชัดเลยการนี้ยิ่งคิดยิ่งรู้ยิ่งคิดยิ่งรู้เวลามันคิดขึ้นมามันฟุ้งซ่านขึ้นมาแสดงว่าจิตมีสมาธิมันก็เลยรู้ว่าเราคิดอยู่ปกติคิดมันก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วอ๋อมันมีความคิดอยู่ พอเรามีความรู้สึกตัวลงไปมันก็หายไปทันทีเมื่อเรารู้กายชัดก็หายไปทันทีคําว่ารู้ชัดก็คือรู้เบาเบารู้เบาเบามันจะรู้ชัดอยากรู้ให้ชัดต้องรู้เบาๆเคลื่อนวางวางวางกายไกลไเบาเบ า, เามันจะชัดถ้าเรื่องถ้าถ้าเราเคลื่อนกระแทกกระทันกระแทกกระแท ก, แทกลงไป มันก็ดีถ้าเป็นการแก้อารมณ์มันปลุกดีมันชัดมันทําให้เราออกจากอารมณ์ได้ไวแต่ถ้ายามใดมันปกติดีเราก็พอดีพอดีเพราะฉะนั้นใหม่ๆเราสังเกตดูนะมันเหมือนกับว่าตั้งใจบรรจงคัดทําได้แป๊บเดียวแล้วก็เหมือนเพ่งจ้องจี้แล้วก็เหมือนถูกบังคับมันจะมีอาการปรากฏขึ้นมาอันน้คือเหนื่อยใจทํางานแล้วข้างในมันเหนื่อย ก็แสดงว่าใช่แล er like ้วล mm ่ะ hmm. มันจีม yes, mm ันจองมันเพ่งมันเหมือนถูกบังคับมันก็เนื่อยให้เราคลายๆออกมานิดนึงจะรู้สึกเออมันทําสบายๆผ่อนคลายทำได้เรื่อยๆเมืองทีมก็เผอแแวะไปเผอแวะไปเผอแวะไปเราก็กลับมาเจตนากาหนดรู้เจตนากำหนดรู้เจตนากาหนดรู้ มันก็จะไม่ไหลไปตามนิสัยความเคยชินที่ชอบคิดอย่างเงี้ยมันแพร่ทางกันทุกครั้งที่กําหนดรู้สัมผัสรูม อ, ออกจากความคิดพอเกิดความคิดขึ้นมากําลังของสติปัญญาที่มันมีมันก็เออเห็นตัวเองสัมผัสเริ่มแยกแยะได้เป็นรูปธรรมนามธรรมอย่างไรเป็นอาการของกายของจิตอย่างไรดูกายกับอาการของกายดูจิตกับอาการของจิต สตีมก็ว่องไวเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาความเป็นปวดตึงก็วางขวางออกไปไม่ประมาณทีเดียวแหล้วเล็กๆน้อยๆก็รู้ได้อารมณ์ละเอียดละเอียดก็รู้ได้แต่ว่าใหม่ๆนี่ไม่ต้องไปหาอะไรละเอียดอะไรทั้งหมดสัมผัสรู้ไปเรื่อยๆรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวมันก็จะเป็นคนไก ที่ทำมามันจัดสรรธรรมชาติมันมีกฎของธรรมชาติอยู่เลยต้องให้เวลาตัวเองบ่มเพาะสักนิดนึงเหมือนบ่มมะม่วงบ่มบ่มกล้วยพวกนี้บ่ม ก, มกล้วยนี่เราทำหน้าที่เอากล้วยไปใส่องค์ใส่แก๊สหน่อยรู้จักไม่แก๊สก่อนกมันให้ความร้อนแล้วก็ใส่เอาเขาซอบปิดก็สอบป่านปิด ให้เวลาสักนิดนึ่งเดี๋ยวมันจะค่อยเหลืองเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นความหวานก็มาเองความฝาดก็หายไปเองสีเหลืองก็มาเองสีเขียวก็หายไปเองรสหวานก็มาเองความฝาดก็หายไปมันเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติเราก็เห็นแล้วความรู้สึกตัวก็เป็นอย่างนั้นนะ ให้เวลาตัวเองนิดนึ่งเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเดี๋ยมันก็เป็นเองความเป็นปกติกมาเองความไม่ปกติกหายไปเองความคิดปรุงแต่งที่ไม่ได้ตั้งใจก็หายไปเองรู้เนือรู้ตัวรู้ทัว่วสระบรรยากาศมาเองมันก็เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติกฎของกรรมฐานมันเป็นอย่างนั้นทำดีมก็ดีทำชั่วก็ชั่วมันเป็นกฎ ของกรรมกรรมฐานก็มีกฎของกรรมฐานมันก็เกิดธรรมชาติขึ้นมาชัดเจนแต่ว่าต้องให้เวลากับตัวเองหน่อย7วัน7เดือน7ปีองสมเด็จสมัสามมาวุฒิเจ้าได้พูดไว้ชัดหลวงประเทียนกระทาไทยเลยครึ่งหนึ่งจาก6ปีเหลือ3ปีชาสาุดชาสาุด3ปีเท่าที่สังเกตดูในคำพูดเรา่านี้สปีคือ วันเวลาที่หลวงพ่อเขียนส่วนโนท่านจบกิจสภาวะแก้วแตกเกิดขึ้นมาแล้วก็กิจอื่นที่จะทำไม่มีแล้วสุดของที่สุดของการแสวงหาทั้งครูบาจ า, ารย์แล้วก็รูปแบบท่านใช้เวลาสองปีเสร็ จ, รจ ก, การ ร, รูปนามในใช้เวลาอยู่ย1อวันครูบาจารย์ของเราจ0ปันแรกไปวัดไม่ได้ไปปฏิบัติหรอก ที่เราดูสื่อพาดีพราแท้กันนะั้เอาแต่ตักน้าําตักท่าทำโน่นทำนี่เหมือนเสือเก็บเสือรับแขกตายสุดกระโนนไปอยู่หลังวัดหนังยกมือสร้างจังหวัดตั้งใจปฏิบัตินี่เรามาปฏิบัตินะก็บอกตัวเองอย่างนั้นอยากรู้เรื่องบนอยากรู้เรื่องแบบบอกตัวเองอย่างนั้น เหมือนกับพวกเราที่มาวัดบอกเลยยังไงถึงมาวัดเนะมีความเชื่ อ, อยังไงถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ผมเลิศจะมาโดยความเชื่อก็อเชื่อว่านิพพานมีจริงนีนิพพานน่ยมีจริงองค์สมเด็จสมมาว่าเจ้าก็มีจริงกรรมดีกรรมชั่วก็มีจริงความรู้สึกตัวแนวเคลื่อนไหวรูปแบบแบบนมทําให้เราทุกข์ลดได้จริงๆมาเชื่ออย่างนี้ก็ต้องมานั่งอยู่นี่แหละมาอยู่ที่นี่ เชื่อบุคคลคนนี้รู้จริงเราก็มาเรียนรู้จากท่านให้ท่านได้ฝึกเราได้สอนเราได้ชี้ได้นำเราเราก็ได้เดินตามรอยท่านแต่ไม่ใช่เดินวัดรอยอเดินตามรอยท่านท่านไปทางนี้แหละเราก็ฟังทำด้วยความตั้งอกตั้งใจเวลาทานเทศเราก็เห็นล่องเห็นรอยมันก็ตรงกันเ <c oughs> มื่อเราเคลื่อนไหวรู้สึกมันก็รู้การเคลื่อนไหวของกาย มันก็เห็นกายมันก็เห็นกายในกายกายเนื้อดุนก่อนกายในรู้สึกมันมีอยู่ตลอดเวลาเวลาเป็นปัจจุบันขณะอยู่ตลอดมันก็ชื่นใจแล้วแหะมันก็รู้แล้วเออถูกทางถูกทางถูกทางมันก็เกิดกำลังใจขึ้นมามันก็ไม่เหมือนกับว่าลังเลสงสัยละลาละ ล, ะลงังหันหลีหันกวางโดใจมีโดใจเวลาปฏิบัติ ใครจะโดดไม่โดดเราไม่ได้สนใจเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่อ ง, องเราแต่เราอะโดดใส่ทนะ่านชี้อยู่แล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องรัดสั้นๆตั้งแต่ด่วนๆสักหน่อยก็อย่างที่บอกคะแนองค์สมเด็จสมาช้าเนี่ยบอกว่าชีวิตของเราสั้นนะเหมือนน้าค้างบนยอดแย่เวลาต้องแสงพระทิตมันก็ละลายหายวับไปเลยเหมือนกับฟองสบู่ชีวิตของเราเป่าแฮม มีฟองขึ้นไหมมันลอยโป๊ะแตกไปแล้วเหมือนโคที่ต่ละก้าวแต่ละก้าแต่ละก้าวแต่ละ 9, ก้าวพยายา่าจงสู่หลักปาหานกลายตายเข้าไปทุกทีทุกทีวันนึงหมดไปอีกแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็หมดไปอกแล้วมันก็เดินใกล้หลักปาหารไปทุกทีมันประมาทไม่ได้แม้กระทั่งองค์สมเด็จสัมมารมุฒิเจ้าในเวลาใกล้เสด็จดับขันบลินิพัน์ก็ยังบอก สุภัต tha บิภาชกพระสองลูกสุดท้ายที่เดินจงกรมจนบรรลุธรรมนะแล้วบอกกับเราพระลรหัน์เป็นบริบาลขณะนั้นสร้งางอภีหรือว่าทุกๆคนที่อยู่ในสถานที่นั้นว่าอย่าประมาทจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอปภมาเทนะสัมปาเทถะทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงความเถิดาตอกย้าอยู่ตรงนี้เราก็เลยได้อะ น้อมมาเป็นการกระทําของเราก็ไม่ประมาทกันนั่นแหละจะทําอะไรก็ตามนั่งเดินยืนนอนจะทํางานทําการเราก็รู้เนือ้อรู้ตัวระมัดระวังเราเห็นจิตเห็นใจของเราอย่างวันนี้เราทํางานกันเห็นไหมเราเท ป, ปูนกันน่ะสิคิวคนจํานวนมากขณะที่เรายกมือสร้างจังหวะ มันเป็นยังไงเราก็เทียบเคียงในเวลา ย, ยกมือเคลื่อนไหวจับกบระป๋องปูนเอาปูนเทไปยังไงเอากระป๋องเปล่าเคลื่อนไปเอาตักปูนใส่กระป๋ององเป็นยังไงเป็นอาการกายเคลื่อนไหวใจรู้หรือเปล่าความเป็นปกติในจิตเป็นยังไงพอใจไม่พอใจเป็นยังไงอันเดียวกันแต่เพียงแค่ว่ารูปแบบการเป็นวันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งแต่การเคลื่อนไหวอ ย, อยังเหมือนเดิม กายเคลื่อนไหวใจรู้เหมือนเดิมเวลามีความคิดเกิดขึ้นมาตากระทบรูปเป็นยังไงได้ยินทางหูเป็นยังไงแล้วก็รู้เออมันมีความรู้สึกตัวอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ไ ด, ได้มันก็ได้คําตอบมันก็เลยเออนอกจากรู้ในวัดรู้ในรูปแบบก็รู้ในที่ทํางานรู้นอกวัดต่อไปจะแต่งชุดไหนมันก็รู้ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผ้า โคลนหัวโคลนคิ้วนุ่งผมผ้าเหลืองผาอ้าขาวสีแดงสีดําไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผ้าไม่เกี่ยวกับเรารู้สึกตัวหรือเปล่าถ้าเรามารู้สึกตัวเออนั่นแหละสิ่งที่เราฝึกหัดปฏิบัติก็เกิดผลพัฒนาการขึ้นมาเป็นประโยชน์ตนยังไม่พอเป็นประโยชน์ท่านต่อไปนะทํางานทั้งวันนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมนั่นแหละ พอการเคลื่อนไหวเข้าไปอยู่จริงกายใจก็ไปอยู่จริงรูปธรรมนามธรรมสติปัญญานะจะมาที่ต่างๆก็ถูกขนเอาไว้เรียบเรียงออกมาโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นอัตโนมัตินะเพื่อรักษาใจของเราไม่แห่งทุกข์นะก็เลยได้ที่พึ่งกันนะประนันการปเปรีธรรมนี่นะมันเป็นไปเพื่อวิลาทนะ ไม่มีราคาการจะทำอะไรก็ตาม mm. เป็นไปเพื่อวิมุตถหลุดพน้น mm. การไปธดทำของเรา mm. เป็นไปเพื่อสันโดษ mm. เป็นไปเพื่อเลี้ยงง่าย mm. เป็นไปเพื่ออยู่คนเดียว mm. ทางนี้มันต้องไปคนเดียว mm. มรรคผลนิพพานรักลุ่มห่วงผูกคอแม่พอมปอผูกแขนสมบัติแก้วแหวนมันแว่นผูกขา มันห่วงใครไม่ได้เพราะนั้นเราก็จึงใช้เวลาที่มาเยวัดป่าโสกโตให้เกิดประโยชน์ตนให้มากที่สุดโดยการใช้ความรู้เนื้อรู้ตัวใช้ความรู้สึกตัวใช้สติปัญญาให้มากที่สุดเคลื่อนไหวรู้สึกในรูปแบบนีมันจะได้คาตอบนะวันนี้เราก็มารวมตัวกัรทำวัดเยียนก็ขอให้ความดีที่เราร่วมกันทาในวันนี้ การพูดวัดปฏิวัติธรรมในวันนี้ก็ขอให้สติสัมัญญนะเจริญก็งามจนทั้งเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกเก้าลงจากความทุกขนเะข้าถึงสภาวะของนิพพานก็คือมีจิตใจที่มันปกตนะิมีความสุขเสมสารโดยทั่วนาการทุกตานทุกคนทั้นเทิน